พระธรรมเทศนาแผ่นที่73าลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติดูเมื่อรู้แล้วจึงเชื่อ วันนี้เป็นวันที่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราช2557เมื่อวานวันก่อนวันก่อนหลวงพ่อตอนเที่ยงเดินทางจากวัดของเราไปสกล น, นครไปวัดบ้านหนองผือตําบลนาในาอําเภอพละนานิคมจังหวัดสกล น, นคร ไปในงานครบรอบวันมรณภาพวันมรณภาพหลวงปู่มั่นภูริทัตะเถระที่เป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานพอไปถึงตอนเย็นก็ไปพักค้างที่วัดป่าบ้านน้องผือนาในเฮน้องผือนาในครับมันใกล้ใกลหมู่บ้านติดกันแต่ตาม่จริงก็บ้านน้องผือกับบ้านนาใน คนละหมู่บ้านกันบ้านหนองผือตนนําบลนาในแต่หลวงพ่อได้ไปพักค้างที่บ้านวัดหลวงปู่มั่นไปเห็นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาในวัดก็รู้สึกว่าล้นหลามอุ่นหนาฝาคั่งโรงโรงทานแล้วก็พระสงฆ์เขามาร่วมงานเยอะแต่หลวงพ่อไม่เคยไปไปครั้งนี้เป็นครั้งแรก ทีไ่ไปงานครบรอบวันมรณภาพเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเพิ่งมีที่องค์หลวงตาไปรับภาพป่าช่วยชาติวัดนี่ะไปรับวันนี้ละ12บสองพฤศจิกาจากนั้นเขาก็เลยถือว่าเป็นวันที่หลวงตาไปและก็เป็นวันถือยึดเป็นวันปฐมฤกษ์แต่วันหลวงปู่ท่านมรณภาพด้วย ตั้งแต่ปีนั้นมาแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดอาจจะเป็นปีสี่ดนะที่เปิดงานหลงตาไปรับผ้าป่าช่วยชาตนะไปรับผ้าป่าที่นั่นแล้วก็หลวงพ่อได้ไปในงานแล้วก็ไปร่วมถวายผ้าป่าด้วยที่บ้า น, นวัดป่าบ้านนองผือวัดหลวงปู่มั่น ถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดหลวงพ่อคิดว่าไปวัดหนองผืนประมาณสองหรือสามครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สแต่ไปครั้งนี้นิมนต์ไปร่วมงานครบรอบวันมรณะภาพของหลวงปู่มั่น65ปีหลวงปู่ท่านมรณะภาพมา65้าปีแล้วก็ตอนเย็นมีการสวดมนต์ พอสวดมนต์เสร็จเขานิมนต์หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเป็นองค์ที่สององค์ที่หนึ่งคือหลวงปู่แปลงวัดป่ารมสมพรวัดหลวงปู่ฟันท่านเป็นองค์แสดงธรรมองค์แรกต่อมาองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแต่คิดว่าคงจะพูดไม่มากแต่ที่ไหนได้ชั่วโมงกว่านะพูดเมื่อวันนั้น ทั้งอารมณพบทด้วยทั้งแสดงความคิดเห็นแสดงธรรมด้วยเพราะเห็นพี่น้องประชาชนเยอะคนหลายร้อยคนเป็นชีก็เยอะขาวดําก็เยอะพี่น้องประชาชนที่มาร่วม ง, งานก็มากจากจากตรุรทิศเพราะถือว่าเป็นงานของหลวงปู่มั่นครบรอบบรรณภาพของท่าน65สิบหปี แต่หลวงพ่อได้แสดงธรรมจบลงแล้วนะเขาก็ถวายกันเทศหลวงพ่อก็มอบคืนถวายทั้งหมดถลายหมื่นกว่าบาท ม, มื่นบาทแล้วก็ผ้าไตรถวายกันเทศหลวงพ่อก็มอบคืนแต่หลวงพ่อเอาแต่รูปเหมือนหลวงปู่มั่นที่เขาถวายองค์เล็กๆประมาณชัก4หนิ้ววะแล้วก็มีหนังสือสองเล่ม บุรพาจาร์เล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือเจ้ากุลสมเด็จพระสังฆราชเล่มหนึ่งหลวงพ่อเอาเออหนังสือได้เอาแต่พวกปัจจัยกันเทศพาดไรมอบไว้ที่วัดเนอะเนี่ยตอนเช้าก็มีครูบาอาจารย์เยอะอยู่บิณฑบาตฉันพอฉันยังห่านเสร็จหลวงพ่อก็ลากลับมาพอกลับมามาถึงก็คิดมันกันคิดจะไปกราบหลวงปู่อุ่น คิดหวังหลวงปู่ท่านคงจะเรามาตอนเช้านูก็คงท่านคงจะไม่ออกจากห้องมากพอมา ก, กำลังมัวเมียที่ไหนได้รถวิ่งผ่านหน้าวัดท่องท่านไปไกลแ ล, แล้วถามโซเฟอร์ทางวัดเขาวัดหลวงปู่อุ่นถึงหรือยังกลายมาแล้วมากแล้วหลวงพ่ออู้เาไม่เป็นไรคราวหน้าก็เลยมาถึงอุรรก็บอก นัดนผู้ดูดูแลคือเสียออไปดูดูที่ตึกเยี่ยมไข่พลพอยังเป็นห่วงอยู่มันยังไม่เสร็จนะไปเมื่อวานเขาก็เทปูนพื้นถนนในหน้าที่คนที่มาพักผ่อนแล้วก็ทำห้องน้ำก็ยังไม่เสร็จก็คิดว่าคงจะใช้เวลาอีกประมาณ ไม่ต่ํากว่าหนึ่งเดือนนะหลวงพ่อว่านะพราะงานเก็บงานละเอียดนะเมื่อวานะก็เลยมอบจะตุปัจจัยให้เสียอ้ออีก <Yeah. S 1> บอกกล่าวให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกคนพระเนรทุกองนะเพราะปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยหลวงพอ่ออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวปัจจัยของวัดที่มันเกิดขึ้นมาวัดของเราทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราทําตึก กันห้องสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมไข้ชั้นล่างตึกที่จอดรถเราทำแล้วก็ทำห้องน้ำฝ่ายหญิงชายด้วยแล้วก็เทถนนในตะแวกนั่นด้วยให้ไปมาสะดวกเราวัดของเราก่อนหน้านี้เราจ่ายไปล้านสามแสนะแต่เมื่อวานในจ่ายอีกสนะี่แสนรวมแล้วเป็นล้านเจ็ดนะไม่รวมกระเบื้อง กระเบื้องที่ท่านองค์ข้มนตรีซื้อมาแต่เราก็เป็นผู้ซ้อลองจ่ายจากนั้นท่านก่อจ่ายคืนท่านเป็นของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ท่านช่วยมาเรื่องกระเบื้องแต่เรายังไม่นับเข้าไปนะยังไม่นับกระเบื้องเข้าไปด้วยกระเบื้งหมดไปหกร้อยปูพื้นหกร้อยกว่ากล่องหกร้อยกว่าตารางเมตร แล้วก็ห้องน้ําอีก400กว่า4060ตรางเมตรเฉพาะห้องน้ำํำนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้มาแวะตรงนั้นนะแล้วก็มอบจดปัจจัยนะพอให้แจ้งข่าวให้พวกเราคณะสัตย า, าญาติโยมได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะอดคิดไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อหลวงพ่อพูดไปบางท่านบางคนก็ หลวงพ่อทำไปแล้วก็ชอบอวดหน้าอวดหลังหนะลวงพ่อก็เคยได้ยินแต่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคลียร์ตัวเองนะที่พูดให้ฟังหนะลวงพ่อเคลียร์ตัวเองว่าจะตุปัจัยที่ได้มานะนะัา้นเราทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาติอย่างไร น, นี่คือความหมายที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังไม่ใช่โอ้อวดพูดตามความเป็นจริง ใจจริงยังไงพูดจริงยังไงก็พูดให้ฟังะแต่เห็นไหมพวกเราฟังเทศของหลวงตาแต่และเช้านั้นก็พูดเออวันนี้หาทองคำํำใดท่า น, นั้นเข้าคลังหลวงพวกเราทั้งหลายมีแต่นมโมชนาสาทุนะพอหลวงตาพูดแต่หลวงพ่ออินพูดนิดๆนหน่อยๆเราช่วยเหลือชุมชนน้อให้พูดที่ไม่พอใจกับ เหมือนกับอะไรเหมือนกับเหล็กแหลมเดนื้ํานามแน่ะแย่เข้าหู<笑><笑>แต่ก็ไม่ว่ากันนะอคนที่ศรัทธาอนุโมทนาแล้วก็พูดอะไรก็คล้องจองไปหมดถูกไปหมดดีไปหมดนะแต่ถ้าว่าคนไม่ถูกกันเน่ยพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจฮไอ้นคนโบราณเขาจึงบอกว่าอคนโบราณทางอีสานเขาบอกว่า ขั้นเหตุบทถูกใจแล้วแสนสีอ้อยกับปานดาแสนสีปั่นเขาให้พ่อปานไหม้ไล่ตีนะอันนี้คือคําอีสานเขาพูดนะคล้ายๆว่าถ้าไม่ถูกใจแล้วเนี่ยถึงจะพูดดีขนาดไหนเหมือนกับด่าเขาะอถึงจะทําดีให้ขนาดไหนถึงจะพูดดีเอาอาหารให้ดีอย่างไห น, นเอาปั่นข้าวให้ก็เหมือนกับเห็น ข้าวที่เอาปั้นให้ที่จะจกให้เนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับตะพดเหมือนกับไม้ค้อนไล่ทบไล่ตีนี่แหละ ค, คนโบราณเขาเปรียบเทียบสรุปแล้วก็คือคนไม่ถูกกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นใหละให้พวกเราเข้าใจเกิดมาในโลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดนะถ้าพอเห็นอย่างไรขึ้นมาแล้วก็นั่นนะไม่พอใจขึ้นมาแล้วนะ อิจฉาตาเหลือกคนอิจฉาตาเหลือกน่ไปตกนรกมากต่อมากแล้วอย่างพระพุทธอย่างพระเทวทัตเน่อิจฉาพระพุทธเจ้าไปตกนรกเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ผุดได้เกิดนี่แหละความอิจฉาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งในความอิจฉาถ้าใครได้ดีอนุโมทนาสาธุต้องมีเหตุมีผลทำอะไรต้องมีเหตุมีผลความว่าอิจฉาเนี่ย พยายามอย่าได้มีถึงจะมีถึงมันมีในใจของเราก็จย่าให้มันแพร่ออกไปทะลักออกไปไปหากัดเขากิเลส ต, ตัวนีนะ้เพราะว่ากิเลส ต, ตัวนี้นะตัวอิจฉานี่พาคนตกนรกหมกไหม่มามากตอมากแล้วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย อ, อย่าไปอิจฉาคนอื่นเขากันแกล้งคนอื่นเขาเห็นเขาได้ดีตัวเองพนอยู่ไม่ได้ ตาลุกเป็นไฟขึ้นมาอันนั้นแปลว่าตากิเลสตาโมหะโลกโกรธหลงเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องสำรวมต้องระวังใจของตนเองทำให้ใจให้เป็นกลางกลางสัพสัดในโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ละตั้งแต่เรายังไม่เกิดพอเรามาเกิดเห็นเขาแล้วเนี่ยทำไมเราจึงไปอิจฉาเขาทำไมเราจึงโง่นักมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เรื่องของเราทำไมไม่มองตัวเองทำไมไม่ไม่มองเราเราในขาดเหลือขาดตกอะไรเรา เ, เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้เราทำถูกต้องหรื อ, อยังเป็นธรรมหรื อ, อยังให้มองตนเองถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมองตนเองอยู่เสมอจะเห็นจุดบกพร่องของตนเองเมื่อเห็นจุดบกพร่องแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องนั้นให้ดีขึ้น ให้ถูกต้องขึ้นให้เป็นธรรมขึ้นให้ถูกต้องนะพูดง่ายๆอย่าให้มันผิดพลาดให้มันถูกต้องให้เป็นธรรมในเมื่อถูกต้องเป็นธรรมแล้วนะความสุขไม่ต้องหาหรอกมันเกิดขึ้นเองในเรื่องที่เป็นธรรมและถูกต้องนั้นในละวันผลงพ่อแสดงธรรมอยู่ที่วัดหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็พูดเกี่ยวกับ หลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรกับสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์เป็นทอดทอดมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันในขณะนี้ก็เป็นผลพลอยที่หลวงปู่มั่นท่านได้รู้ได้เห็นท่านได้ปรลุธรรมได้สําเร็จน พูดง่ายๆจากนั้นสิทธิ์ยาวนี่สิทธ์ทุกคนทุกองค์ยอมรับว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์ผู้ที่เข้าไปศึกษากับองค์ท่านไม่ว่าหลวงปู่ล่าไม่ว่าหลวงปู่ในหลวงปู่จามท่านก็ยกย่องหลวงปูม่มันคือพระอรหันต์ใครๆก็ยกกว่าองค์หลวงมัปู่มั่นเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้ว ในเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปกระดูของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีกสักขีพยานทั้งครูบาอาจารย์ก็รับพรองที่เข้าไปศึกษาฟังธรรมและหมดจดหลวงปูมั่นจากนั้นมาก็รูปธรรมคือร่างกายของท่านอติธาตของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชานย นี่แหละในเมื่ อ, อลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรกับสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านท่านก็ออกมาอธิบายออกมาขยายผลจะเป็นธรรมมาลิกิตองค์ไหนประวัติองค์ไหนจะประวัติหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่เจะหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราได้อ่านได้ศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธิอนุสิทธิหลงปู่มั่น ยงหลวงปู่ล่าประวัติหลวงปู่ล่าอย่างนี้เป็นตน้นท่านบรรยายเกี่ยวกับองค์หลวงปู่มัน่นกิ จ, จวัตรข้อวัดท่านทำยังไงท่านสอนอยังไงท่านเข้มงวดกวดขันเรื่องหลักพระธรรมวินัยอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นมากมายที่ทำมรดกของแต่ละองค์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่บรรยายเที่ยวประวัติหลวงปู่มัน่น จากนั้นปฏิปทาพระตุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วก็จดน้ำบนใบบัวของหลวงตาอีกกันล้วนแล้วแต่อ้างอิงถึงหลวงปู่มั่นเป็นหลักพ่อใหญ่พ่อหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นปรมาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสิทธญานุสิทธิ์เพราะนั้นเมื่อลูกศิษย์ทั้งหลายได้เข้าฟังได้รับการอบรม ที่ท่านแนะนาสั่งสอนศีลอย่ามองข้ามนะถึงจะเป็นศีลอาบัตเล็กน้อยพวกท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามนะไม่ใช่ว่าอาบัตเล็กน้อยก็ทำทาไปนั่นแหละผงทุลีอาบัตเล็กน้อยแ่ะคือผงธุลีอาบัตใหญ่คือขอนยูงขอนอยางขอนยูงขอนอยางมันไม่โปรยเข้ามาเข้ามาในตาของเรา ผงธุลีนั่นแหละของอาบัตเล็กๆน้อยๆนะอ่มันเป็นฝุ่นเป็นผงละอองทุลีเข้าในตาของเราทําให้ตาของเราฟ้าฟางเพราะอาบัตเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ใส่ใจเพราะนั้นเมื่ออาบัตเมื่อเราตาฟ้าฟางแล้วก็มองไม่เห็นสัจธรรมมองไม่เห็นความจริงเพราะเราทําสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะนั้นให้เรามัระวังที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนั้น ล้วนแล้วจะเป็นคุณค่าเป็นคุณค่ามีประโยชน์เจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินยัยเพราะนั้นศีลและวินยัยทุกองค์ควรสำรวมระวังอย่ากั้กายอย่าล่วงเกินศีลและวินัยให้เคารพอาบัติใหญ่จนถึงอาบัติเล็กน้อยต่างๆเมื่อเรารู้แล้วเราควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยนี่ อันนี้ก็คือหลวงปูม่มันท่านสอนสิทธิ์ในการเป็นอยู่คือการวางรลากฐานวางกฎเกณฑ์แล้วก็เนี่ยถึงจะใครรู้หรือไม่รู้ก็ตามอย่าไปทำถ้าทำ้าไปแล้วเหมือนกับจับไฟจับไฟในที่มืดเป็นไงจับไฟในที่แจ้งเป็นยังไงถึงใครไม่รู้ตัวเองก็รู้เพราะความลับไม่มีในโลกในเมื่อตัวเองทาเข้าไปแล้วนะ่ะ ทําความชั่วจึงเป็นอาบัตเล็กน้อยก็เหมือนกับไฟน้อยถ้าเป็นถ้าอาบัตหนักก็เหมือนกับไฟกองใหญ่ถ้าว่าเป็นปาราชิกเนี่ยเหมือนกับไฟมันชอ็อตไฟฟ้าอย่างแรงเผาตัวเองเลตายเลยไปว่าอาบัติปาราชิกท่านตํำคนนั้นลงมากับสังขารทิเศตก็เบาลงมาเลถึงยังไงก็ตามถึงเราจะทําใครรู้หรือไม่รู้ก็ตาม เมื่อเราจับตรงไปแล้วความชั่วเหมือนกับไฟไม่ที่รับในที่รับในที่แจง้งในห้องอยู่คนเดียวจับไฟได้สิร้อนไหมไหอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนบอกกล่าวสอนกันมาเป็นลาดับลาดับจนมาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้นำทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะ้ยินได้ฟังฟังไปนะ นี่แหละสิและวินัยความชั่วอย่าทำํำซะเลยดีกว่าความชั่วจะทําให้ตนเองเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือทำแต่ส่วนวินัยอันนี้คือธรรมท่านก็สอนอีกทีวิถีแนวความคิดสมัติฐานเบื้องต้นนั้นทําอย่างไรหลวงปู่มันก็นเน้นหนักเรื่องอาณาปานสติบริกรรมพร้อมกับคําบริกรรมว่าพุทธโธนะ อันนี้คือเป็นแนวแถวสายหลวงปู่มันาว่าบริกรรมภาวนาพุทธโธสายพุทธโธคือสายหลวงปู่มั่นจากนั้นคือสมัทฐานนี้คือสมัทานะแต่ส่วนวิปัสสนานั้นพิจารณาอย่างไรอันนี้หลวงปู่ท่านก็สอนให้เราศึกษาดูเลยแต่เนะ่ยสมัทฐาทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาแยกแยะด้วยปัญญา เห็นด้วยปัญญาแยกแยะด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเห็นยังไงเห็นตามความเป็นจริงฮะอันนี้มีมากหลากหลายหลวงปู่อธิบายให้ฟังครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังอันนี้พวกเราต้องศึกษาศึกษาดูแต่หลวงพ่อก็เคยอธิบายให้ศึกษาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนแล้วอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่แนะแนวตีหลวงพ่อไปพูดที่บ้านน้องผือนาในาเมื่อวันที่10บคืนวันที่สิบ พฤศจิกายนพอพุ่งในเช้าวันที่11ก็บินทบาทชั้นเช้าแล้วก็กลับมาเมื่อวาน น, นะนี่แหละนี่แหละที่หลวงพ่อไปพูดคือไปยืนยันแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านาได้รับมรับผลมาแล้วจากนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษยาณุศิษย์ขององค์หลวงปู่มัน ก็ได้กระดูกของท่านก็เดีกลายเป็นพระธาตุมาให้พวกเราได้เห็นเป็นทอดๆมาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราให้ฟังเพื่อศึกษาศึกษาฟังแต่ถึงจะเป็นพระธาตุก็เถอะนะเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันมันเป็นยังไงเห่กันหรือเปล่าหรือยังไงเป็นหรือเปล่าหรือมีอะไรบ้างจริงหรือเปล่าแท้รหรือเปล่า เพราะโลกอันนี้มันมีทั้งของกิงของเท็จแต่บางท่านบางคนก็อยากจะเชิดชูบูชาครูบาอาจารย์ของตนเองก็ยกเมฆมาพูดก็มีมากต่อมากเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงโลกก็นนี้มันเป็นโลกอจะต้องได้กันกลองไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นแหละเราจะปฏิเสธทีเดียวก็ไม่ใช่เราจะไปเชื่อทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะนั้นคน ธรรมชาติก็ยังเจาะหูให้เราให้สองข้างนะถ้าเรามีหูข้างเดียวนะ้องพ่อนาะว่าเนี่ยใครพูดอะไรก็คงจะเชื่อหมดอันนี้ท่านเจาะหูให้สองข้างนะฟังหูไว้หูฮะฟังหูซ้ายไว้หูขวาคฟังเพื่อการศึกษาจากนั้นทํามั่นใจในตัวเองหรือมั่นใจในการรู้การศึกษาการตรวจสอบแล้วนะ เราจะลงใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขนาดภาษารรบุตรยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะภาษารรบุตรไม่เชื่อยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทีเดียวนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงแล้วท่านก็ถามภาษารบุตรที่เราตถาคตแสดงธรรมไปนี่นะ่ะพวกท่านทั้งหลายเชื่อไหมภาษาเรบุตร บ, บอกว่ายัางก่อนพระเจ้าข่า เพราะข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระ อ, องค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็นผลแล้วข้าพระ อ, องค์จะมากราบทูลพราะพระองค์เมื่อภายหลังพระเจ้าข่านะเห็นไหมคือสรุปแล้วคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนะี่ยไม่ให้งมงายนะให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นนะเป็นยังไงเป็นธรรมไหมถูกต้องไหม ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไหมสิ่งเหล่านี้นะเนี่ยอยู่ในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนีมีทั้งเยอะแยะมีท่านท่านให้การกลอง เ, อเห็นไหมสุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญากเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนกานกลองไตร่ตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นน่ะ มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนถูกต้องไหมจากนั้นท่านยังย้ำอีกว่าภาวนามยะปัญญาทําจิตใจให้สงบจิตใจของตัวเองสงบเป็ น, ปนหนึ่งซะก่อนในเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วมากันก้องไตรต้องอีกด้วยเหตุและผลจิตใจผ่านความสงบแล้วน่ะตัดสินใจได้ตัดสินใจได้นะด ไ, ดได้ด้วยตนเองเพราะจิตใจผ่านความสงบแล้วเชื่อมั่นตนเองนะ เออพอพิจารณานี่ใช่ถูกต้องอันนี้ผิดอันนี้ไม่ถูกนะเนีเพราะฉะนั้นภาวนามายปัญญาตัวนี้แหะเป็นภาวนาที่ว่าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจคือภาวนามาย์ปัญญาเนี่ยนะปัญญาตัวนี้แหะเป็นปัญญาที่ในหลักของพระพุทธศาสนานะสองสองปัญญาสองอย่างเนะ่ยเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางโลกทั่ ว, วไปที่เขาคิดได้ แล้วก็การก้องได้แต่ภาวนามยะปัญญาจุดนีนะ้เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้มอบให้กับพระสงฆ์สาวกมอบให้ธบริษัทของพระพุทธองค์ให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้สติให้มีสมาธิสก่อนจากนั้นจึงพ้นถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญากันกลอง ขี่คลายดูเรื่องเหตุและผลนั้ น, น, นจากนั้นเราก็จะตัดสินใจได้ด้วยความเด็ดขาดแลวด้วยสติด้วยปัญญาของเราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี่ก็ทำอะไรอยู่นักสถานที่ใดคำว่า ง, งมงายลุ่มหลงเชื่อคนง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะ กะคงจะเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทั้งทั้งหลายนะต น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร